สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิอภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทใหม่ของ1พึ่งพงศษัตริย์แล้วครับก็คือบทที่13ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อที่1นะครับไปจนถึงข้อที่26ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าโดยพระดํารัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าคนของพระเจ้าคนหนึ่งจากยูดามายังเบตเอล ขณะที่เยโรบอัมทรงยืนอยู่ข้างแท่นบูชาเพื่อถวายบูชานั้นคนของพระเจ้าร้องออกมาโดยพระดำรัสขององค์พระวุนเจ้าเกี่ยวกับแท่นบูชาว่าแท่นบูชาแท่นบูชาเอ๋ยองค์พระวุณ์เจ้าตรัสว่าบุตรคนหนึ่งนามโยซยาจะเกิดในวงวานของดาวิดผู้นั้นจะเผาบรรดาปุโรหิตของสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลาย ผู้ชิงบัตรนี้ถวายบูชาที่นี่และกระดูกมนุษย์จะถูกนํามาเผาบนเจ้าในวันเดียวกันนั้นคนของพระเจ้าก็ให้หมายสําคัญว่านี่คือหมายสำคัญที่องค์ผู้เป็นเจ้าทรงประกาศไว้แท่นนี้จะแยกออกและเท่าทานบนแท่นนี้จะถูกเทออกเมื่อกษัตริย์เยโรอัมทรงได้ยินถ้อยคําที่คนของพระเจ้าประกาศเกี่ยวกับแท่นบูชาที่เบตเอลก็ยื่นพระหัตต์ออกมาจากแท่นและตรัสว่า จับชายคนนี้ไว้แต่พระหัตถ์ของกษัตริย์กลายเป็นอมพาสแข็งอยู่ในท่านั้นไม่สามารถชักพระหัตถ์กลับคืนดังเดิมแล้วเท่นบูชาก็แยกจากกันเท่าทันร่วงลงมาสำเร็จตามหมายสำคัญที่คนของพระเจ้าให้ไว้โดยพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ากษัตริย์ตรัสกับคนของพระเจ้าว่าช่วยอธิษฐานวิงวอนพยาเวพระเจ้าของท่าน ให้มือของเรากับคืนสภาพปกติด้วยเถิดคนของพระเจ้าจึงอธิษฐานต่อองค์พระเวรเจ้าเพื่อกษัตริย์แล้วพระหัตของกษัตริย์ก็กลับเป็นปกติจากนั้นกษัตรติย์ตรัสกับคนของพระเจ้าว่ามาที่วังกับเราเถิดมารับประทานอาหารด้วยกันแล้วเราจะให้รางวัลท่านแต่คนของพระเจ้าทูลกษัตริย์ว่าแม้ฝ่าพระบาทจะประทานราชสมบัติให้ครึ่งหนึ่ง ข้าพบาตก็ไม่ไปกับฝ่าพบาต์ทั้งจะไม่รับประทานอาหารหรือดื่มน้ําในสถานที่นี้เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้บัญชาข้าพเจ้าว่าห้ามรับประทานอาหารหรือดื่มน้ําหรือกลับไปตามเส้นทางที่มาแล้วเขาจึงกลับไปอีกทางหนึ่งไม่ใช่เส้นทางเดียวกับที่มาอย่างเบ็ดเอวมีผู้เผยโภชนะชาราผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในเบ็ดเอว ล, ลูกๆของเขากลับมาบ้าน และเล่าทุกสิ่งที่คนของพระเจ้าได้ทําที่เบตเอลในวันนั้นและสิ่งที่เขาทูลกษัตริย์บิดาของพวกเขาถามว่าเขาไปทางไหนลูกๆจึงบอกเส้นทางที่คนของพระเจ้าจากยูดาเดินทางไปดังนั้นเขาจึงบอกลูกๆว่าผูกอานลาให้ทีและเมื่อพวกลูกๆผูกอานลาให้เสร็จแล้วเขาก็ขึ้นขี่และตามคนของพระเจ้าไปทันขณะที่เขานั่งอยู่ใต้ต้นโอก๊กจึงเข้าไปถามว่า ท่านคือคนของพระเจ้าที่มาจากยูดาหรือเขาว่าถูกแล้วผู้เผยพระจนะชราจึงพูดกับเขาว่าเชิญมารับประทานอาหารกับข้าพเจ้าที่บ้านคนของพระเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าไม่อาจากลับไปกับท่านหรือกินดื่มกับท่านที่นี่พระดำรัสขององค์พระเจ้าสั่งห้ามว่าเจ้าจงอย่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ําที่นั่นและอย่ากลับไปเส้นทางเดิมแต่ผู้เผยพระเจานะชรานั้นตอบว่า เราก็เป็นผู้เผยพรชนะเหมือนกันและทูตสวรรค์องค์หนึ่งแจ้งพระดำรัสขององค์ผู้เป็นเจ้าแก่เราว่าให้พาเขากลับมาที่บ้านของเจ้าเพื่อเขาจะได้รับประทานอาหารและดื่มน้ําแต่ผู้เผยพระชนะชาราโกหกเขาดังนั้นคนของพระเจ้าจึงกลับไปกับผู้เผยพระชนะชาราและกินดื่มในบ้านของเขาขณะที่ทั้งสองนั่งอยู่ที่โต๊ะมีพระดํารัสจากองค์ผู้เป็นเจ้ามาถึงผู้เผยพระชนะชารา ซึ่งพาเขากลับมาเขาก็กล่าวกับคนของพระเจ้าซึ่งมาจากยูดาว่าองค์พระบูญเจ้าตรัสว่าเจ้าได้ฝ่าฝืนคำตรัสขององค์พระบูญเจ้าและไม่ทําตามพระบัญชาของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าเจ้ากลับมากินดื่มในสถานที่ซึ่งพระองค์ตรัสห้ามไว้ฉะนั้นร่างของเจ้าจะไม่ได้ถูกฝังในอุโมงค์ของบรรพบุรุษเมื่อคนของพระเจ้ากินดื่มเสร็จแล้ว ผู resonate, to to ้เผยพระชนะซึ่งพาเขากลับมาก็ส่งเขาขึ้นลากลับไประหว่างทางมีสิงโตออกมาฆ่าเขาร่างของเขาถูกทิ้งไว้กลางทางมีลาและสิงโตยืนอยู่ข้างๆคนที่ผ่านไปมาเห็นศพทิ้งอยู่กลางทางมีสิงโตยืนอยู่ข้างๆก็ไปแจ้งข่าวในเมืองซึ่งผู้เผยพรชนะชราอาศัยอยู่เมื่อผู้เผยพระชนะที่พาเขากลับมาได้ยินเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นก็กล่าวว่านี่แหละคนของพระเจ้า ที่ฝ่าฝืนพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระ เ, เจ้าจึงทรงให้สิงโตมาฉีกทึงเขาจนสิ้นชีวิตตามที่องค์พระเจ้าทรงเตือนไว้พี่น้องครับเรื่องนี้ก็ค่อนข้างยาวนะครับถึง26ข้อด้วยกันก็ขออนุ ญ, ญาตสรุปเล่าสั้นๆให้พี่น้องฟังว่าผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งซึ่งอายุน้อยครับก็ได้ถูกใช้มาจากยูดาห์พระเจ้าทรงใช้เขา ให้มาบอกความจริงกับเยเบอร์รอัมความจริงนี้ก็คือคําพยากรณ์ครับคําพยากรณ์ว่าแท่นบูชาที่สร้างอยู่บนฐานที่สูงนั้นมีวันหนึ่งจะต้องถูกทําลายลงและคนที่ทําลายนั้นพระเจ้าระบุชัดชื่อโยซียาพาี่นะครับโยซียาเป็นใครครับโยซียาเป็นผู้เผยเพระชนะที่เกิดมาอีก300ปีต่อมาครับและคาพยากรณ์คำเผยพระชนะ น, นี้ก็เป็นจริงในทุกๆรายละเอียด เมื่อกษัตริย์โยซิยาประหารบรรดาปุโรหิตของพระทั้งหลายที่แท่นบูชานี้พี่น้องครับเหตุการณ์นี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมสองพงศษ์บทที่ย3ข้อที่1ถึงข้อที่20ครับนั่นแปลว่าเมื่อเหตุการณ์นี้ได้ถูกกล่าวโดยผู้เยผยพรชนะแสดงว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจริงแน่นอนแต่สำหรับเยโรโบอัมนั้นรู้สึกเสียหน้าครับ ก็มีพระราชะองค์การบอกให้สั่งจับผู้เผยพระชนาคนนี้ขณะที่เขายื่นมือออกไปเพื่อที่จะชี้เพื่อที่จะบงการปรากฏว่าพระเจ้าให้มือเขาเนี้ยกลายเป็นอัมพาสครับเขาไม่สามารถที่จะชักมือกลับได้มือเขาแข็งเลยเยโรอัมก็รู้ว่านี่มาจากพระเจ้าแล้วนี่ไม่ปกติแล้วก็เลยขอให้ผู้เผยพระชนะนั้นช่วยอธิษฐานกับพระเจ้าแต่ที่น่าสังเกตนะครับก็คือว่า คำพูดหรือพระดำรัสที่พูดกับคนของพระเจ้าอย่างนี้ครับกษัตริย์เยรบอัมตรัดกับคนของพระเจ้าว่าจงช่วยอธิษฐานวิงวอนพระเย า, ระยาเว์พระเจ้าของท่านให้มือของเราให้กลับคืนสภาพปกติด้วยเถิดพี่น้องครับเขาบอกว่าช่วยอธิษฐานวิงวอนนะพระเยาวาพระเจ้าของเจ้าพระเจ้าของท่านพี่น้องเห็นไหมครับศัพท์คำนี้ครับเป็นคาที่ น่าเสียดายเสียใจมากเยโรบอัมนั้นได้ทิ้งพระเจ้าพระยาเว์ไปแล้วครับและเขาบอกว่าพระเจ้าของคุณพระเจ้าของคุณหลังจากที่พระเจ้าได้ประทานเมตตา ร, รักษาเขาให้หายแล้วโดยคําอธิษฐานวิงวอนของผู้เผยพร ะ, ะชนะหนุ่มคนนั้นไม่ปรากฏหลักฐานใดๆเลยครับว่าเยโรบอมนั้นกลับใจเสียใหม่พี่น้องครับ นั่นคือสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจเพราะว่าการอัศจริย์ถือว่าเป็นหมายสำคัญที่สำคัญใช่ไหมครับและหมายสำคัญนี้ก็ไม่สามารถทำให้คนกลับใจได้เขาทิ้งโอกาสที่เขาจะกลับใจใหม่เขาทิ้งโอกาสที่เขาจะกลับมาหาพยาเวใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างไงก็ตามครับเรื่องนี้เป็นเรื่องประเด็นที่สำคัญอย่างหนึ่งแต่ประเด็นที่สาคัญอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งอีกประการหนึ่งในพระกัำพีตอนนี้ก็คือว่าน่าสงสารผู้เผยพชนะหนุ่มคนนี้ครับทํางานสําเร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการเชื่อฟังนั้นไม่ได้อยู่ที่การทํางานสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่การเชื่อฟังนั้นจะต้องเชื่อฟังให้สุดครับเพราะว่าพระเจ้าได้สั่งให้ผู้เผยพรชนะหนุ่มนี้ให้กลับบ้านหลังจากที่งานเสร็จแล้วกลับไปคนละทางยากินดื่มย า, มยาพักหลับนอนกับใคร แต่ว่าในที่สุดแล้วผู้เผยพระชนะหนุ่มนี้ก็โดนผู้เผยพระชนะชราหลอกครับผู้เผยพระชนะชรานั้นได้รู้วิธีการหลอกก็คือว่าอ้างว่าพระเจ้าบอกกับเขาบอกกับเขาให้มาบอกกับคุณนะครับพระเจ้าบอกกับฉันให้มาบอกกับคุณบอกกับคุณว่าไงครับบอกกับคุณว่าให้อนุญาตให้กินข้าวได้เดิมทีนั้น เมื่อผู้เผยพชนะชาลาพูดกับผูผ้เผยญาณหนุ่มบอกว่าเชิญมารับประทานอาหารคับกับพระเจ้าที่บ้านสิคนของพระเจ้าหนุ่มก็บอกว่าพระเจ้ า, า, าไม่อาจกลับไปกับท่านได้หรือกินดื่มกับท่านที่นี่ได้เพราะว่าพระเจ้าสั่งว่าอย่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ําที่นั่นและอยากกลับไปเส้นทางเดิมแต่ผู้เผยพระชนะชาลาตอบว่าเราก็เป็นผู้เผยพระชนะเหมือนกันทูตสวรรค์องค์หนึ่งแจ้งพระดำรัสของพระเจ้ากล่าวาว่าให้พาเขากลับมาที่บ้านเพื่อจะได้รับประทานอาหารด้วยกัน พี่น้องครับผู้เผยพระนาชนะชรานั้นโกหกเขาแล้วในที่สุดคนของพระเจ้าก็กลับไปกินดื่มในบ้านของเขาที่หน้าเสียดายเสียใจต่อไปก็คือว่าพระนํารัดขององค์พระวญเจ้ามาถึงผู้เผยพระนาชนะชราซึ่งพาเขากลับมากล่าวกับผู้เผยพระชนะหนุ่มที่มาจากยูดาบอกว่าพระเจ้าตัดว่าเนื่องจากเจ้าได้ฝ่าฝืนคาตรัสขององค์พระบูญเจ้าและไม่ทาตามพระบัญชาของพระยาเว เจ้ากลับมากินดื่มในสถานที่ที่พระเจ้าห้ามไว้ฉะนั้นร่างของเจ้าจะไม่ไถูกฝังในอุโมงค์ของบรรพบุรุษอันนี้ชัดเจนน่าเสียดายเสียใจครับคนของพระเจ้ากินดื่มเสร็จแล้วผู้ผ่วยคนนะีก็พาเขาขึ้นมาส่งที่บนหลังลาแล้วก็ระหว่างทางมีสิงโตออกมามากินเขาครับมาฆ่าเขาร่างของเขาก็ถูกทิ้งไว้กลางทางมีลาและสิงโตยืนอยู่ข้างๆ คนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นศพทิ้งอยู่ข้างๆมีสิงโตอยู่ข้างๆก็ไปแจ้งข่าวให้กับผู้เผยพรชาลาผู้เผยพระลาก็กล่าวว่านี่แหละคนของพระเจ้าที่ฝ่าฝืนพระดำรัสขององค์พระู้เว็นเจ้าพระเจ้าให้สิงโตมาฉีกถึงเขาจนเสียชีวิตพี่อนครับในแง่หนึ่งเราก็น่าจะเห็นใจน่าสงสารนะครับผู้เผยพระนะคนนี้ทางานเสร็จแล้วแต่ ยังไม่จบครับเสร็จแต่ยังไม่จบเพราะว่ายังเชื่อฟังยังไม่สุดพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่ผลงานอย่างเดียวนะครับสิ่งที่สำคัญก็อยู่ที่ชีวิตชีวิตแห่งการเชื่อฟังไปจนถึงสุดท้ายนี่ครับคือสิ่งที่สำคัญมากแต่ว่าน่าเห็นใจตรงประเด็นไหนครับน่าเห็นใจตรงประเด็นที่ว่า1คือเขาก็เหนื่อยอยู่2องงานเขาก็สำเร็จแล้ว 3. เขาก็ฟัง ผู้เผยพระวจนะชาราแต่ครับแต่เขาขาดสติขาดการยั้งคิดถ้าพระเจ้าบอกกับอีกคนหนึ่งพระเจ้าจะต้องบอกเขาด้วยพอเมื่อพระเจ้าบอกเขาว่าห้ามแลว้วมาใช้อีกคนนึงบอกว่าได้คงจะไม่ใช่นั่นคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอะไรครับจากเหตุการณ์แวดล้อม จากสถานการณ์ต่างๆนั้นก็โน้มนำทำให้หน่าเห็นใจผู้เผยพระชนะคนนี้ได้รับคำสั่งเข้่งครัดจากพระเจ้าไม่ให้กินหรือดื่มสิ่งใดขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ในที่สุดเขาต้องตายเพราะเขาฟังคนที่อ้างว่าได้รับพระดำรัสจากพระเจ้าแทนที่จะฟังพระเจ้าเองครับผู้เผยพระชนะคนนี้ควรทำตามพระวจนะของพระเจ้าเชื่อฟังจนถึงสุดท้ายแต่เขากลับไปเชื่อฟัง คำบอกเล่าของคนอื่นจงวางใจในสิ่งที่พระเจ้าบอกคุณครับอย่าวางใจในสิ่งที่คนอื่นอ้างว่าเป็นความจริงและอ้างว่าพระเจ้าบอกอย่าสนใจในสิ่งที่คนอื่นอ้างว่าเป็นพระดำรัสของพระเจ้าถ้าถ้อยคำเหล่านั้นขัดแย้งกับพระกรมัมปีหรือไม่ได้มีที่มาที่ไปจากพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องคองกาศบาดตายจงกระทาตามพระบัญชาของพระเจ้าจนถึงสุดปลายด้วยความเชื่อฟังครับ หลายหลาครั้งทีเดียวสถานการณ์แวดล้อมบอกให้เราหยุดบอกให้เราไม่ต้องเชื่อฟังแล้วเพราะเนื่องจากภารกิจสำเร็จแล้วแต่พี่น้องครับภารกิจยังไม่สำเร็จจนกว่าชีวิตของเราจะเป็นไปตามเป้าหมายของพระเจ้าเป็นไปตามจุดประสงค์สุดท้ายที่พระเจ้าตั้งเราไว้น่าสงสารจริงๆนะครับขอพระเจ้าช่วยเราให้เราที่ดารงอยู่ในพระดำรัสพระบัญชาของพระเจ้าและวัตถุประสงค์ของพระองค์จนสุดปลายอาเมน